พระธรรมเทศนาแผนที่78ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุส โ, โกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าหัวใจหลักของวัด วันนี้เป็นวันที่ 30, ส0เมษายนพุทธศักราช2558พระในวัดของเรายัางครบ40สรูปสมนเนิหนึ่งรูปแต่พระลงมาฉันวันนี้ส1อหมดลงมาฉันส1พระเนิน งดไปส0บรูปวะเนี่ยทำไมถ้าหลวงพ่อเอพระทำไม4 0ส็ทั้เทงเนนดูนับนับดูพระทำไมไม่ครบวาวพระท่านอดอาหารท่านไม่ได้ลงมาฉันงดไปสิบรูปะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้นี่หลวงพ่อได้ถามไทยพระ พอหลวงพ่อฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาที่วัดของเราพระที่ท่านเคยเฝ้าสถานีท่านก็ลงมาเข้าเวนศาลาและให้องค์อื่นเฝ้าแทนพอเฝ้าแทนก็กดผิดกดถูกไปกดสวิตไฟไฟไม่เข้าสถานีสถานีก็เลยดับเลยทีนี้ตัวเองก็พอกดแล้วก็ คงจะเป็นนอนเฉยนะวันนี้ยังไม่ไมอ้อดอาหารต่อว่าที่สุดหลวงพ่อนั่งเอลทำไมวะสถานีของเราทำไมมันเงียบทำไมไม่มีเสียงขึ้นไปดูสิพระมันก็ขึ้นไปบุรุเมื่อกี้เนี่ยมันกลับลงมารายงานว่าพระเวรที่เฝ้าสถานีวิทยุกดสวิตผิดว่างั้นออ หลวงพ่อเลยกรรมชับเลยบอกว่าผู้ใดก้าตามไปเฝ้าสถานีนั้นนะคือหัวใจของของวัดจุดหนึ่งคือทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำสอนขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษผู้ที่ไปเฝ้าผู้ที่ไปเฝ้าสถานีวิทยุก็คือให้เฝ้าไปเลยก็ได้ไม่ต้องมา เป็นเข้าเวรสาลา่าแต่ใส่ใจต้องดูแลบริเวณะนะั้นให้สะอาดเรียบร้อยคือเป็นหอธรรมเป็นหอธรรมะพระของเราที่เข้ามาอยู่วัดหรือว่าพวกปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอย่าไปน้อยใจหรือว่าข่ามาอยู่วัดนาคําน้อยไม่ได้ฟังรำคําสอนไม่ได้ได้รับการอบรม ทำคำสอนอันนั้นแปลว่าเหมือนกับมาเป็นลีงข้างบางชนีหมูป่ากระรอกกระแตภายในวัดของหลวงพอ่อถ้าหากว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาแล้วหลวงพ่อก็แจกวิทยุให้คนละเครื่องแต่ค่อยๆฟังไม่ให้เปิดแรงเปิดฟังพอได้ยินแล้วก็ฟังธรรมเทศนาของหลวงตา วังพอให้ฟังวันละหนึ่งกันหรือถ้ามีโอกาสก็นานๆานแล้วจะฟังเล้วมีโอกาสที่พร้อมที่จะฟังก็เปิดฟังได้หลายกันแต่แนะนำว่ากลางวันหลวงตาท่านจะไปเทศนาในที่ต่างๆคล้ายๆว่าอบรมศรัทธาญาติโยมจากจารตุรทิศหรือว่าท่านไปเทศในงาน รับทองคำเข้าคลังหลวงเป็นส่วนมากแต่พูดเรื่องศินเรื่องกฎระเบียบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องพ้คุณของพ่อแม่และการพ้อมเพียงสา ม, มัคคีท่านจะพูดในลักษณะนี้ถ้าเทศตอนกลางวันแต่ภาคกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มทองทุ่มแล้วไปถึงตีห้าท่านโรมเรื่องของพระสถานีวิทยุหองหลวงตาที่เราได้ไประชุมหารือกันว่า กลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าต้องมีอบรมพระเท่านั้นเพราะว่าพวกเราผู้ที่สนใจไฝ่ธรรมะเวลานั่งภาวนากลางคืนเวลากลางคืนเราก็นั่งเปิดเทปเราก็นั่งภาวนาฟังแต่สองทุ่มพระวัดป่าบ้านตาท่านจะเปิด m อ3มส ว, ว่าทำวัดเย็นตอนเช้าตีห้า ท่านก็จะเปิดทําวัดเช้าถ้าว่าทัดทายญาติโยมผู้ใดจะจะเปิดเทปสองทุ่มก็ทําวัดเตรียมตัวทําวัดไปพร้อมกับวัดป่าบ้านตาดเลยท่านว่าอาราหัางเราก็ต้องอาราหัางตามเลยตอนตีห้าคุ้มเหมือนกันลุกขึ้นมาเขาทำวัดเยน็นพร้อมกับท่านนี่แหละเป็นกิจวัดข้อวัดประจําวัน ลวนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตทั้งนั้นเออดีกว่านอนขี้เชาเยอะเฉๆมไม่เกิดประโยชน์ออก่อนนอนก็ไหวพระออตอนเช้ามาก็ทำวัดเช้าพร้อมกับพระวัดป่าบ้านตาดแต่ตอนกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจะเป็นตีสองตีสตีสก็ตามถ้านอนไม่หลับเราขึ้นมาเปิดฟิทยุแล้วก็นั่งฟังจะนอนฟังนะ ถ้าเรารเอาจิงเอาจรงแล้วอย่านอนฟังให้นั่งฟังพอนั่งฟังตั้งอกตั้งใจฟังในฟังในช่วงที่มันไม่ง่วงนะ่ะเราลุกมานั่งฟังด้วยความใส่ใจด้วยความสนใจพอนั่งฟังเสร็จแล้วก็สักกันนะึงอะรยังค่อยพักกราบพระแล้วก็ยังค่อยปิดวิทยุแล้วก็นั่งภาวนาต่ออีกกำหนดดูจิตใจของตอนเองอีกสัก 20- 30นาที ด้วยจิตใจวันไหนมันโล่งโปร่งสบายมีความสุขนั่งต่อไปอีกเราไม่ต้องห่วงเรื่องการนอนเรานอนมาในภพในชาติติดภพติดชาติไปนี่ชาติไหนที่เป็นงูเหลือมเนะ่นอนไม่รู้จักตื่นนอนเป็นเดือนเือน เ, อเพราะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องนอน น, ะอนั่งภาวนาดีกว่ า, าปลุกจิตปลุกใจของตนเอง นี่แหละกลางกลางคืนพวกเรามาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยพวกเราอย่าไปคิดว่าเราด้อยหรือว่าหย่อนหรือว่าไ ม, ไม่ได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องพูดอย่างนั้นได้นะถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตาฟังวันละหนึ่งกันก็น่าจะเพียงพอจากนั้นเราจะ เสริมเข้าไปอีกนะหอธรรมหอธรรมก็คือที่ศาลาของเราเราปลูกขึ้นมาเป็นกุฏิแล้วก็มีพระไตรปิฎกไมู้กี่ชุดตัวกี่ชุดท่องมหามกุฎด้วยทั้งกรมการศาสนาด้วยทั้งปุ่ยแสงสายด้วยทั้งบาลีด้วยมัน เยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่นักธรรมตรีจนถึงปทเก้าอยู่ที่นั่นในในกุฏของเหล่าถึงประยัตินะต่างนั้นทำมาเลชิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ของมุตโตไทยของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ดุลหลวงพ่อพุทธหลวงปู่ชิมหลวงพ่อลี หลวงปู่ดุลมีเยอะแยะไปหมดเลยทำมลิกิดของครูบาอาจารย์เต็มไปหมดอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือทางเสียงก็ฟังเทศของหลวงตากลางวันก็ทำปฏิเทศนาครูบาอาจารย์หลายหลายองค์ที่เราฟังถ้าใยในการศึกษานะใยในการเรียนรู้จากนั้นเมื่อเราเรียนแผนที่เรียนรู้แล้วนะเราก็นํามาปฏิบัติจุดไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนะเป็นแนวทาง ที่เราจะปฏิบัติได้ท่านให้ทำยังไงเพราะครูบาอาจารย์แต่แต่ละองค์น่ท่านจะให้แนวความคิดเหมือนกับของท่านนะั่นแหละท่านเคยผ่านมาอย่างไงปฏิบัติมาอย่างไร เ, เหมือนกับท่านเป็นเท่าแก่สวนยางแต่ท่านก็อธิบายเรื่องสวนยางให้เราฟังท่านขายได้เงินเหมือนกันแต่บางองค์ท่านทำนาท่านก็อธิบายเรื่องการทำนาให้เราฟังขายข้าวก็ได้เงินเหมือนกันบาง องค์น่ยท่านแบบขายปลูกมันจสำปะหลังนั่นแหละแต่และองค์ถ้าเราฟังแล้วชั้นเชิงเรี่ยเหลี่ยมหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของท่านถ้าเราฟังดูแล้วดูแลจะเป็นประโยชน์เราจะนําเอาองค์ไหนมาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยให้พวกเราศึกษาแล้วเมื่อศึกษาแล้วก็นํามา ป, ปฏิบัติกับตนเองเพราะนั้น หลวงพ่อจึงบอกว่าสถานีวิทยุของเราในวัด เ, เป็นหัวใจของวัดถ้าว่าผู้ใดใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้นั่นนะยกระดับจิตใจของตนเองถึงพ้นทุกข์ได้พ้นทุกได้เพราะวงหลวงตาที่ท่านเทศหลวงพ่อเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เทศทุกวี่ทุกวันอย่างนี้อีกต่างหากออที่จะหาเทปมาฟังก็ไม่ใช่ของในง่ายๆเทพในวัด มันมีไม่กี่เครื่องมีเครื่องสองเครื่องก็อยู่กับนะผู้ท่านดูแลท่านก็ไม่ได้ให้จะให้สุมสี่สุมห้ากลัวมันจะเสียเนะียเสียเราก็หาอะไร ซ, ซ่อมยากอีกต่างหากุ่นอยู่อังกฤษเยอรมันนะยี่ห้อฟินลิปนี่ห้อกุนดิอสมัยนั้นมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นที่จะได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนะี่ยยากแล้วก็หนังสือก็ ท่านก็ไม่ได้พิมพ์อีกสมัยยุคสมัยนั้นพอหลวงพ่อเขาไปอยู่ใหม่บางทีก็สามวันบ้างเจวันบ้างไปชุมแต่ไปชุมบ่อยนะแถวว่าพอไปชุมแต่ละครั้งเนย่รหลวงพ่อเขาไป2512ันห้ารอสอสนามบินของฝรัง่งเริ่มมาแล้วนะฝรั่งเข้ามาแล้วที่จะมาเข้ามาในเมืองไท ย, ยพวกนานาก็เลาอะไรกองทัพ พวกนาโต้วพวกอะไรเนี่ยเขามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อจะไปเวียดนามไปถล่มเวียดนามพวกเราก็รู้ๆกันอยู่นะ uro, Korea, แต่บเวลาลงตาจะเทศเนี่ยพอเทศเทศเทไปน้อยนึงเสียงไอพ่นมันก็วิ่งออมจุดจุดเงียบก่อนที่จะผ่านไปได้พอผ่านไปแล้วท่านก็เทศต่อแต่บางครั้ง เทเไม่ลูกตั้ง3ามสี่หครั้งหวังบางทีนะถ้ามันมันเล่งเข้ามาบางทีท่านมันเลยไม่ให้อดัดไม่ให้อัดเทปในช่วงนั้นพรามันเสียงรบ ก, กวนมากอยู่ในสนามบินอุดรก็เสียงสนั่นหวั่นไหวอีกเขาทดลองลองเครื่องของเขาก่อนที่จะขึ้นถ้ามันลงแล้ว ก, ก็ทดลองเครื่องอีกเสียงดังรบ ก, กวนท่านไม่ให้อัดเทป พวกเราฟังดูสิดูสิในช่วง2องนจนถึง2อ1 8นยไม่ค่อยมีเทปของหลวงตานะเนี่หลวงพ่อบอกให้บอกให้ฟังเลยว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนามบินอุดรนะ่ะมันเครื่องบินเครื่องบินขึ้นลงบ่อยหลวงตาจึงไม่ได้อัดเทพพระฝรังท่านไม่ได้อัดเทพ พอเปิดเข้าไปน้อยเนี่ยเอาละเสียงดังเครื่องบินลงเครื่องบินขึ้นเครื่องบินผ่านนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาในกับองค์หลวงตา7วันบ้าง3วันเป็นอย่างมากที่ท่านอบรมพระตุมาก็พูดพูดเทศเทศเทศพอท่านมาถึงแล้วเทศเทศอบรมพระแล้วก็ท้าวันก็เอาเหลือกันมีอะไรก็ พูดเรื่องวิทนายเพื่องกฎระเบียบอันนี้ก็คือการอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นมาอยู่ที่วัดของเราเนี่ยเราเปิดสถานีวิทยุเปิดตลอดเลยเอาธรรมเทศนาของท่านตั้งหมื่นกว่ากันที่อัดมาแล้วประมาณ 8,000 ันกว่ากันน ะ, เ อ, ะเอามาเทศกลางกลางคืนต่างกล่อต่างวาระเอามาเพศให้พวกพระพวกศรัทธาญาติโยมฟัง นี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าผู้ฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ในภาคปฏิบัติด้อยในการได้ยินได้ฟังหลวงพ่อว่าสะดวกสะดวกแต่บางทีมันสะดวกจนเกินไปจนเคยชินจนเคยชินจนเป็นธรรมดาไปฟังเหมือนธรรมดาเหมือนกับฟังเหมือนกับเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์ลักษณะอย่างนั้นนะฟังแบบไม่ใส่ใจ ก็เลยดื้อด้านไปจิตใจก็เลยด้านไปแตนี่มันไม่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาจะฟังตั้งใจฟังนั่งภาวนาคัดสมาธิฟังเมื่อฟังจบแล้วก็ปิดปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่อจากนั้นค่อยปิดนี่ยฟังเป็นจิตจะลักษณะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าทำคําสอนขององค์หลวงตาเนี่ยฟังดูเถอะนะใหม่ๆแต่ฟังจะไม่เข้าใจเพราะท่านเทศธรรมลึกซึ้งมาก ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยได้ยินแล้ววางไม่ลงมีแต่จิตตามถ้าว่าผู้ได้ปฏิบัติภาวนาเป็นเป็นไปได้แล้วนะแต่ถ้าว่าผู้ที่เริ่มใหม่เนี่ยฟังจะไม่เข้าใจเพราะนั้นหลวงพ่อยึงวางฐานวางรากฐานทํา MP มสของหลวงพ่อเนี่ยฟังให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ผู้เข้ามาเรียนรู้ใหม่หลวงพ่อพูดให้ให้พวกผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ ได้ศึกษาในเมื่อศึกษาฟังของหลวงพ่อแล้วนะ่ยแล้วค่อยไปฟังของหลวงตาเนะี่ยพยายามแกะและพยายามฟังของหลวงตาพวกท่านทั้งหลายจะเข้าใจพอถึงติดของหลวงตาแล้วของหลวงพ่อนะเนี่ยไม่สนและฟังของหลวงตาไปโดยตลอดแต่นานๆก็มาฟังกฎระเบียบของหลวงพ่อบ้าง เ, เพื่อเรื่องแนวทางการเป็นอยู่การอยู่ด้วยกันบ้าง กฎระเบียบบ้างทานชาดกบ้างแต่เนื้อเรื่องเนื้อหาสารธรรมะที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อยตัดกิเลสจริงๆเนี่ยคือธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองขอแนะนำให้คณะทตาญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองนะเรื่องการฟังอย่ามองข้ามเพราะว่าการฟังในครั้งพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในขณะที่ฟังมีมากต่อมากที่พระพุทธเจ้าได้ แสดงธรรมแล้วก็พระสงฆ์ที่นั่งฟังกำหนดจิตตามจากนั้นก็ได้สำเร็จพระสูดาสกทาคาอนาคาอรหรัในในพระไตรปิฎกมากไม่ใช่น้อยไม่แพ้อย่างอื่นเลยเพราะนั้นการฟังธรรมเทศนาที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอย่างองค์หลวงตา เ, เราฟังนะหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะได้รับ อาจรับธรรมรับความรู้เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะเน้นเรื่องปัญญามากกว่านะหลวงตาแต่ของหลวงพ่อ MP3 ของงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นเรื่องศีลกับสมาธินะแต่ปัญญาเนี่ยห่า ง, ห, า ง, ห, างหลวงพ่อจะยับเรื่องปัญญาเพราะเห็นว่าองค์หลวงตาท่านพูดเรื่องปัญญามากต่อมากแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดเรื่องกฎระเบียบการเป็นอยู่ จากนั้นก็เรื่องสมาธิที่ทำจะทํายังไงจิตใจจึงจะสงบจิตใจสงบมีกี่ขั้นในการจิตสงบเป็นสมาธิมีกี่อย่างจากนั้นเรื่องยับไปทึกทางวิปัสสน า, าบ้างแต่ถ้าจะให้ฟังจริงๆก็คือวิปัสสนาก็คือองค์หลวงตาท่านอธิบายได้กว้างขวางมากเลยเรื่องวิปัสสนาเพราะนั้นเรื่องอัดเรื่องธรรมด้ ว, วพวกเราเข้ามาอยู่ ในวัดของหลวงพ่อพวกท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าการศึกษาหรือการปริยัติพวกท่านอ่อนพวกท่านอย่าคิดอย่างนั้นนะถ้ามีช่องทางที่จะค้นคว้าศึกษาได้แต่ผู้ที่เข้าไปดูแลสถานีวิทยุกัอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระในวัดของเราน่าจะให้ความใส่ใจสนใจที่ว่าเป็นหัวใจของวัด คือให้ธรรมะให้ทรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงถึงจะให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารให้อะไรก็ตามสู้ให้ธรรมะไม่ได้การให้ธรรมะคือให้หลักเหตุผลคนที่มีเหตุมีผลคนที่มีศีลมีธรรมไปอยู่นจนะสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดถ้าคนไร้เหตุผลคนไม่มีเหตุผลทาอะไรทำาก อ, ากอากจะทำอะไรทาตามที่โอโตัวเองอยากทา ไม่มองหน้ามองหลังไม่มองสูงมองต่ําไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองสิ่งควรไม่ควรนั่นแหละอันนั้นแปลว่าไม่อยู่ในหลักเหตุผลเมื่อไม่อยู่ในหลักเหตุผลก็มันก็เกะกะล่าลานขวางไปหมดอ่ะทีนี้เมื่อขวางไปแล้วกันนัะมันจะเดือดร้อนใครแหละมาเดือดร้อนตนเองทีมันไม่ใจเดือดร้อนคนอื่นใครอื่นหรอกแต่คนอื่นเดือดร้อนไปแล้วละผลสูงก็ไม่ย้อนมาหาตัวเองตัวเองกันนั้ หาความสงบรล่มเย็นเป็นจุกไปไหนวิตกกังวลอะท่านทั้งที่มาปฏิบัติธรรมกลับมาได้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะี่พระนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณนะรัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะธรรมะเนะี่ยเป็นของปล่มเย็นเป็นจุขนะถ้าหากว่าผู้ใดนำํำทำคําสอนนํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราแล้วนะมีแต่ความรล่มเย็นเป็นจุข แล้วก็ขอย้ำอีกถึงสถานีวิทยนะุให้พวกเราใส่ใจสนใจนะให้ช่วยๆกันดูถ้ามันขาดเหลือขาดตกอะไรนะไม่มีอะไรที่มันขาดเหลือขาดตกที่มันไม่ดีบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะใส่ใจจะดูแลสถานีวิทยุของหลวงตานะเพราะว่าเป็นเสียงธรรมะนะเสียงธรรมะควรจะให้ฟังได้ตลอดเวลา แล้วก็ใส่ใจให้มีเสียงออกตลอดเวลาเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในวัดวาสานาเนี่ยเรามาศึกษาส่งเสริมและก็ปฏิบัติธรรมะนะไม่ใช่มุ่งหวังอย่างอื่นนะเรื่องอย่างอื่นประเเกะประคางนะเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องคนยกย่องเสิดชูบูชาคนมาวัดหมากๆนะอันนี้มันเรื่องนอกๆนนะแต่เรื่องหัวใจจริงๆของที่เราสนใจจริงๆ ที่พวกเรามุ่งมั่นจริงๆนะเราจะไปมุ่งมั่นข้างนอกอย่างนั้นเป็ว่าผิดที่ผิดทางนะพระลูกพระหลานน้องน้องทั้งหลา ย, ยาจะโยมนะเราต้องมุ่งหวังจะทำยังไงจะยกระดับจิตของเราใจของเราเนะี่ยให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเห็นโลกมองโลกมองธรรมมองธรรมมองโลกมองอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ให้จิตใจของเราให้เห็นให้รู้แจ้งหเห็นจริงในธรรมให้รู้แจ้งหเห็นจริงในเรื่องโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะายกจิตใจของตนเองให้พ้นจากทุกในวัฏสงสารถึงพระนิพพานนั่นแ่ละเลิศประเสริฐอันนั้นคือหัวใจเอของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องของเอให้คนมามากๆอย่างวันที่ยี่สเจ็ดเราจะปลื้มใจเพียงแค่นั้นมาได้เออแต่ ง, งานศพพกก็ยังไปมาก รลกงานอย่างอื่นก็มีมากเออถ้าหามแห่คนไปประหารเนี่ยก็คนอยากจะไปดูก็มากเหมือนกันนะเออไม่ใช่แต่จะมากแต่ทางดีนต่ทางเหลวทางชั่วเข า, เขามากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าคนมากกว่าน้อยจุดนั้นเอ่อแต่ว่าเรื่องจิตใจของเราเนะี่ะเราจะยกระดับจิตของเราใจของเรานยะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นตามแนวของพุทธพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตร์สัมมาสัมโพธิญาณต้นที่โครนต้นโพนท่านตัดสู้อะไรนั่นะตัวอย่างที่ดีเออเราอย่าไปคิดในช่วงที่ท่านไปแสดงธรรมแล้วบกไปไปโปรดคนมามากแล้วก็ไปปลื้มใจกับจุดนั้นไม่ใช่จุดหัวใจจริงๆพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ซะก่อน จึงมีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไ ด, ด้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนในวันนั้นจะมีวันวันเหล่านั้นได้อย่างไร mm hmm. ถึงวันนั้นๆก็เป็นนั้นๆแบบกี้เลสทั้งหมดแต่นี้ถ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ํานั้นทำอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากนั้นมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเป็นของเสริมตนเองจุดอื่นนะ แต่จุดหัวใจจริงๆก็คือให้ภาวนาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกนายวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะให้พวกเราเน้นจุดนั้นนะก็ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่าไปเน้นเน้นอย่างอืง่นเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสนรเสริญเยือนยอนมันอยู่ในโลกทั้งนั้นละอีกไม่กี่วันนะต่างคนต่างไปนะ เวลามากทำท่ามีหน้ามีตาเอยืดอกเต่พอพอไปนะไปกระล่อมกแหลมหมดไปทีละคนสองคนไม่รู้ไปที่ไหนก็ไม่รู้เวลาไปเวลาออกมานะ่ะเแสดงอกยืดหน้ายืดชืดอยืดอกยืดไหลอชุมชนสังคมให้คนรู้แต่พอไปจริงๆหายไปมลล้อมกล่อมแกล้มไปทีละคนสองคน เพรเหตุไรแค่นี้แหละคนเรามันเกิดมาในธรรมจะทำอย่างไงได้เราต้องรู้เรียนมาเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็สุดท้ายเป็นยังไงเราต้องเรียนให้รู้ทั้งหมดจากนั้นเราจะวางใจอย่างไงเราจะทําใจอย่างไรจึงจะไม่หลงโลกหลงทางรู้แจ้งเห็นจริงรู้เขารู้เรารู้ตนเองไม่ให้หลงอย่าลืมตัวสรุปแล้วนะอับผ่อนนะที่นี่นะ ประสงอนุโมทนาให้พรวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับาาศรัทธาญาติโยมอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะ